ก็การที่มานพทั้งสองไม่มีความสนุกสนานไม่มีความร่าเริงเหมือนดังเช่นปีก่อนๆที่ผ่านมาแต่กลับมีความสังเวชสลดใจก็เพราะปัญญาบา ร, รมีที่ได้สั่งสมอบรมมานั้นเข้าถึงความแก่กร้าเต็มที่แล้วด้วยเหตุนี้ชนทั้งสองจึงต่างพากันคิดว่า อะไรอะไรที่เราควรจะดูในการละเล่นในมโหรสพนี้คนที่กำลังแสดงมโหรสพเหล่านี้แม้ทั้งหมดย่อมมีอายุไม่เกินร้อยปีแล้วเขาเหล่านั้นก็ต้องพาการรันร่มหายตายจากกันไปก็การที่เรามัวแต่เพลิดเพลินมัวแต่สนุกสนาน หลงหลในมหรศรสพ์ซึ่งเป็นของเทียมเป็นของปลอมเป็นของที่ไม่จริงนั้นเป็นสิ่งที่ปราศจากประโยชน์ไร้สาระเราควรจะสแสวงหาโมกขธรรมหรือธรรมที่ทำให้เข้าถึงความหลุดพ้นดีกว่าที่จะมานั่งเพิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้ จนทั้งสองต่างมีความคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นในขณะที่ดูอยู่นั้นก็ไม่ได้มีความเพลิดเพลินไปในอารมณ์ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้านั้ น, น, นเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นโกริตก็เด็กกราวกับอุปติสะว่าอุปติสะเพื่อนรักท่านไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนวันก่อน ท่านใจรอยท่านกำลังคิดอะไรอยู่หรืออุปติสสะก็ได้กล่าวว่าโุริตะเพื่อนรักเรานั่งคิดถึงเรื่องหนึ่งอยู่เรื่องที่เราคิดมันก็คือว่าการดูของคนเหล่านี้ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรเลยการดูมหรสศพนี้ไม่มีประโยชน์เราควรสแสวงหาโมกขธรรม คือทำที่เป็นเพื่องหลุดพ้นสำหรับตนแล้วท่านละโกริตะเพราะเหตุอะไท่านจิงใจรอยโกริตะเมื่อถูกอุปติสะถามก็ได้กล่าวเชกเช่นเดียวกันก็ครั้นอุปติสะรู้ว่าโกริตะนั้นมีอัธยาศัยเฉกเช่นเดียวกับตนจึงกล่าวกับโกริตะอย่างนี้ว่าง สิ่งที่เราทั้งสองคิดนั้นเป็นความคิดที่ดีเมื่อเราจะสแสวงหาโมฆะธรรมหรือทำเครื่องหลุดพ้นเราก็ควรจะได้บวชซักอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการบวชนั้นย่อมเป็นเครื่องนำทางที่จะให้เข้าถึงธรรมที่หลุดพ้นได้ง่ายแต่เราจะบวชในสำนักของใครล่ะ ก็ในสมัยนั้นสัญชัยปริพาชกเป็นนักบวชที่อาศัยอยู่ในกรุงราชครึกสัญชัยปริพาชกนั้นเป็นปริพาชกที่มีบริษัทมีบริวารหมู่ใหญ่อุ ป, ปติสะและโกริตะมานพทั้งสองจึงตกลงกันว่าเราจะบวชในสำนักของสัญชัยปริพาชกนั้น แล้วทั้งคู่จึงได้พากันไปบวชในสำนักของสัญชัยปริภาชกพร้อมด้วยมานบห้าร้อยซึ่งเป็นบริวารของตนจำเดิมแต่การที่มานบทั้งสองคืออุปติสสะและโกริตะได้บวชแล้วสัญชัยปริภาชกก็ได้ลาบศัการะได้ยศได้ความเป็นใหญ่อย่างมากมายทั้งนี้ก็เพราะว่า อุปติสะและโกริตะนั้นก็เป็นผู้ที่มีบริวารมากอยู่แล้วเมื่ออุปติสะและโกริตะมนุษย์ทั้งสองนั้นบวชในสำนักของสัญชัยปริพาชกก็ได้เรียนจบลัทธิของสัญชัยปริพาชกภายในสองสามวันเท่านั้นเล้วทั้งคู่ก็ได้ถามสัญชัยปริพาชกว่าท่านอาจารย์ รัตธิอันเป็นความรู้ของท่านมีเท่านี้หรือความรู้ที่ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่สันชัยปริพาชกจึงกล่าวว่ารัตธิอันเป็นความรู้ของเรามีเท่านี้แหละพวกท่านรู้หมดแล้วมานพเหล่านั้นเมื่อฟังถ้อยคำของสันชัยปริพาชกนั้นแล้วจึงคิดกันว่า เมื่อความรู้อันเป็นรัติของอาจารย์มีเพียงเท่านี้การอยู่ประพฤติพรหมจในสำนักของสัชัยปริภาชกผู้เป็นอาจารย์นี้ก็ไม่มีประโยชน์พวกเราออกบวชก็เพื่อแสวงหาโมฆธรรมแต่พวกเราไม่อาจทำให้โมฆธรรมเกิดขึ้นในสำนักของสัรชัยปริภาชกนี้ได้ ก็ในชมพูทวีปนี้กว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตยิ่งนักพวกเราควรเที่ยวไปในคามนิคมและราชธานีเพื่อสแสวงหาศสสาสนาแสวงหาอาจารย์คงจะได้อาจารย์สักท่านหนึ่งผู้สแสวงหาโมกขธรรมได้เป็นแน่แท้จำเดิมแต่มานบทั้งสองได้คิดอย่างนี้ ก็ได้ขอลาออกจากสำนักของสัญชัยปริพาชกเมื่อไปในที่ไหนไหนหากได้ยินได้ฟังว่ามีสำนักพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตอยู่ณที่ใดๆชนเหล่านั้นก็จะไปในที่นั้นๆเพื่อทำการสนทนาปัญหาไต่สวนทวนถามกันก็ปัญหาที่มานพทั้งสองถามแล้ว คนอื่นๆไม่มีใครที่สามารถจะแก้ปัญหานั้นได้เลยแต่มานพทั้งสองนั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาของคนเหล่านั้นได้มานพทั้งสองได้เที่ยวสอบถามไปทั่วชมพูทวีปด้วยอาการอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะสแสวงหาโมกะธรรมซึ่งเป็มธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นได้ทั้งคู่จึงกลับมาอยู่ที่เดิมของตน แล้วก็ได้ทำกติกาตกลงกันไว้ว่าหากผู้ใดผู้หนึ่งบรรลุอมัรธรรมได้แสวงหานะเจอโมกะธรรมก่อนผู้นั้นจะได้ไปบอกซึ่งกันและกันก็ในสมัยนั้นนั่นแลพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้บรรลุพระปรมาภิสัมโพโยธิญาณ แล้วสรงประกาศพระธรรมจักรอันบวชนแก่พระปัญจวัคีต่อจากนั้นก็ได้เสด็จถึงกรุงราชคลึกโดยลำดับซึ่งการที่พระบรมศาสดาเสด็จถึงกรุงราชคลึกนั้นในเวลานั้นโลกได้มีพระอรหันต์อุบัติขึ้นแล้ว6กสิเอ็ดท่าน 61ท่านนั้นประกอบไปด้วยนะพระผู้มีพระภาค พ, นะพระองค์หนึ่งปัญจวัคคีคทั้งห้าก็คือโกนธัญญะวัปปะพัทิยะมหานามะและท่านอัสชิรวมเป็นหกต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้แสดงคำโปรดพระยศะคุระบุตรเมื่อพระยศะคุระบุตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว สหายของพระยศะะจํานวนสี่ท่านนะซึ่งเป็นคารหัตก็คือวิมาระหนึ่งสุภาหุหนึ่งปุญชิหนึ่งและขวัวมปฏิหนึ่งรวมเป็นสี่ท่านก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อจากนั้นมาอีกสหายนะซึ่งเป็นคารหัตของพระยศะะจํานวนห้าสิบท่าน ก็ได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้บรร ล, ลุเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอันว่าในสมัยนั้นมีพระอรหันต์อุบัติขึ้นแล้วในโลกจำนวน61ท่านพระผู้มีพระภาคได้ทรงมีรับสั่งแก่พระอรหันตสาวกเหล่านั้นว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปยังที่ต่างๆเพื่อประโยชน์เพื่อกูนแก่มหาชนทั้งหลาย ก็คือเป็นการรับรับสั่งให้พระสาวกทั้ง60รูปนั้นนั่นแหละเที่ยวไปตามที่ต่างๆเพื่อประกาศคุณของพระรัตนตรยัยก็ในบรรดาพระอรหันตาสาวกจำนวน60ท่านนั้นพระอัศชิเถระได้ไปอนะย่างที่ต่างๆ แล้วก็ได้กลับมาสู่กรุงราชครึกมีอยู่วันหนึ่งพระสัจจิเรนั้นได้นุ่งผ้าอันตรวาสกก็คือนุ่งสบงจีวอนอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้ถือบาทถือบาทเข้าไปบิณฑบาตในพระนครราชครึกการเข้าไปบิณฑบาตของพระสัจจินั้น เป็นไปด้วยมารยาทที่เรียบร้อยก็คือเวลาก้าวไปเวลาถอยกลับเวลาแลเหลียวเวลาคูแขนเวลาเหยียดแขนเนี่ยเป็นไปด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสอีกครั้งการมองดูของพระอัศิก็มีในตาที่ทอดกํำลงเป็นการแสดงอากัปกิริยาที่ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถ เมื่อสาลิบุตริภาชกได้เห็นให้ได้เห็นพระอัศเรระเชื่อบินทบาตปายในนครราชาคลีกโดยมารยาทอันงด ง, งามอย่างนี้เป็นปายอย่างน่าเลื่อมใสมีในตาทอดลงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอริยบทจึงมีความดําริว่าบรรดาพระอันาหารหันทั้งหลายหรือผู้ที่บรร ล, ลุอรหัตมรรในโลกนี้ ภิกษุรูปนี้คงเป็นผู้หนึ่งในท่านเหล่านั้นเราพึงเข้าไปหาท่านบัรพชิตรูปนี้เมื่อมีความคิดอย่างนี้แล้วในตอนแรกก็จะต้องการที่จะเข้าไปหาแต่เห็นว่าพระอัสชิเถระยังเชื่อบินทบาตอยู่เป็นเวลาที่ไม่เหมาะไม่ควร ก็โดยติดตามไปข้องหลังพระอัสสชิเสระเมื่อถึงเวลาสถานที่ที่เหมาะสมแล้วสารีบุตรปริพาชกก็โดยเข้าไปพูดจาภาใสกับท่านพระอัสสชิครั้นผ่านการพูดพาใสพอให้เป็นที่บันเทิงเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วสารีบุตรปริพาชกก็ได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ก็ได้ได้กล่าวกับท่านอัศจิว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดทองท่านบวชเพื่อใครใครเป็นสดาสอาสดาของท่านหรือท่านชอบใจในธรรมของผู้ใดขอรับเมื่อสารีบุตรกฤยภชกได้ถามอย่างนี้ พระอัสชิเถระก็เรียกราวว่าผู้มีอายุพระมหาสมณะสากยบุตรออกบวชจากสากยตกูลมีอยู่ระบวชจำเพาะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนั่นแหละเป็นศาสดาของเรากเราชอบใจในธรรมของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนั้น ในลำดับนั้นอุปติสะปริภาชกหรือสาริบุตรปริภาชกนะครับจึงถามพระเถระว่าผู้มีอายุศาสดาของท่านมีวาทะอย่างไรกราวอย่างไร mm. เมื่อถูกถามอย่างนี้พระอสศชิเถระก็มีความคิดว่าธรรมดาพวกปริภาชกทั้งหลายนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนา ก็คือพวกปริพาชคมักจะไปสวนทวนถามเกี่ยวกับเรื่องของตัญหาต้องการที่จะโต้ตอบโต้แย้งเกีก่บเรื่องปัญหาซึ่งกันและกันท้ายๆกับเป็นการดักเป็นการผัดคอเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าธรรมดาปริพาชกทั้งหลายเป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนา เพราะมีภิกษุหลายรูปนะที่โดนภริพาชกสอบถามแล้วก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามเหล่านั้นได้เพียงพลัมนะพ่ายแพ้มามากต่อมาเมื่อพระอัสสชิเทระคิดอย่างนี้กเ็เลยดำริตอบไปว่าเราจะแสดงความรึกซึ้งในพระศาสนาแก่ภริพาชกนี้เมื่อจะทมตนว่าเรายังเป็นผู้หมายอยู่จึงกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุเราแรเป็นผู้ใหม่คือเพิ่งบวชเข้ามาใหม่ยังไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้เราคงไม่อาจที่จะแสดงธรรมโดยพิสดารได้ก็คือเป็นเทคนิคของพระอศัศิรรย์นะครับที่ก่อนที่จะแสดงธรรมเนี่ยเป็นการกล่าวท่อมตนก่อนกล่าวถ่อมตนว่าตนเองเป็นผู้บวชใหม่ยังบวชไม่นาน ซึ่งจริงๆแล้วท่านก็ยังบวชไม่นานนะครับเพราะว่าบวชได้เพียงปีกว่าๆพรรษากว่าๆเ ท, ท่านั้นเองแต่ถึงแม้ท่านจะบวชไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะฉะนั้นถ้อยคาที่บอกว่าเราเป็นผู้มาใหม่ ย, ยังบวชไม่นานนั้นเป็นเพียงการกล่าวทมตนเท่านั้นก็คือเป็นเทคนิคนะครับของพ ร, ระอิศเรรย สาริบุตรปริพาชกไม่ได้ฟังอย่างนั้นก็เลยกราวต่อไปว่าจะมากหรือน้อยนิมนต์ท่านกราวเถิดท่านจงกราวแต่ใจความแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการใจความเพียงอย่างเดียวท่านจะทำพยัญชนะให้มากไปทำไมก็คือต้องการเอาแต่เนื้อความไม่ต้องการอารามพระบทไม่ต้องการเอาน้ำ ขอให้ท่านแสดงแต่เนื้อความเท่านั้นเมื่อพระอัสชิเจระได้ฟังอย่างนั้นกินกราธรรมปริยายแก่สาริบุตรปริภาชกว่าเยธรรมาเหตุปปพวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนติ แปลเป็นภาษาไทยว่าทมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงเสด็แสดงเหตุแห่งทำเหล่านั้นและแสดงถึงความดับไปแห่งทำเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงสั่งสอนด้วยเนื้อความอย่างนี้ในบรรดาบทเหล่านั้นคาว่าเยธรรมาเหตุตุปปภาวา ที่แปลเป็นภาษาไทยว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระอาัศจาิเทระได้แสดงถึงขันห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและบิ ญ, ญาณเ็นเจขันชื่อว่าเป็นธรรมที่มีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญณาณเนี่ยขันห้าเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมารอยๆแต่มีเหตุทาให้เกิด ซึ่งการแสดงว่าขันห้ามีเหตุให้เกิดนั้นพระอัสถชิเถระได้แสดงทุกขสัพเพอริยสัตตีนแล้วกันสี่ประการนะครับประกอบด้วยทุกความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นทุกปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุก สรุปเนื้อความโดยย่นย่อแล้วอุปาทานขันห้าล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ประการที่สองสมุทัยหรือสมุทยศัตร์ก็คือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์สมุทัยนั้นก็ได้แก่ตัวตัญหาหรือโลภะเพราะตัญหาหรือโลภะนั้นจะรวเป็นเหตุ เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลประการที่3มนิโรธนะหรือนิโรธาสัตว์ก็คือความดับจะว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงอีกประการหนึ่งนะครับคือความดับทุกข์เนี่ยแล้วก็ประการที่4ก็คือมรรคสัตว์หมายถึงข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางให้เข้าถึงความดับทุกข์นะ นี่แหละสัจจะที่เป็นของพาริยะนะครับที่เรียกว่าอริยสัจมีได้กันสี่ประการอย่างนี้เพื่อในบรรดาอริยสัจสี่นั้นด้วยบทว่าเยธรรมาเหตุตุปปภพวาที่แปลว่าทาเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระอัศชิเถระได้แสดงถึงขันห้าว่ามีเหตุเป็นแดนเกิดซึ่งการแสดงขันห้ า, หาว่ามีเหตุเป็นแดนเกิดนั้น ก็เท่ากับว่าพระอัศชิเทระกำลังสแสดงทุกข์สัตว์แก่สาริบุตรปริภาชกส่วนในบาต ท, ที่สองที่ว่าเตสังเหตุตรงตถาคโตอาหะที่แปลว่าพระตถาคตทรงสแสดงถึงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยเนื้อความในบาตนี้ก็เป็นอันว่าพระอัศชิเทระได้สแสดง อริยสัจสประการที่สองก็คือสมุทยัยสัจว่าสมุทัยคือตัณหานั่นเองเป็นเหตุแห่งขันห้าสมุทัยคือตัณหานั่นเองเป็นเหตุให้ขันห้าเกิดขึ้นซึ่งพระตรรมคดคือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้แสดงสมุทยัยสัจซึ่งเป็นสัจจะประการที่สอง ว่าเป็นต้นเหตุนะครับเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งมวลส่วนในบาป ท, ที่สามที่พระสัชชิเถระได้แสดงว่าเตสันจักโยนิโรโทรจัที่แปลว่าและทรงแสดงความดับไปแห่งธรรมเหล่านั้นการที่พระสัชชิเถระได้แสดงว่า พระตถาคตได้ตรัสถึงความดับคือความเป็นไปแห่งสัจจะทั้งสองนะก็คือทุกขสัจและสมุทยัยสัจการที่พระสทิเถรได้แสดงว่าพระพุทธองค์ได้แสดงถึงความดับไปแห่งทุกดับไปแห่งสมุทัยนั้นก็เป็นอันว่าพระเถรได้แสดงถึงมิโรธสัจก็คือความดับนั่นเอง จิ่งอยู่ในคาถานี้แม้พระอัสชิเถระไม่ได้แสดงมัคคสัตถึงเป็นสัตว์สัจประการที่สี่ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์แม้พระอัสชิเถระไม่ได้แสดงมัรคสัต์ไว้แต่ก็เป็นอันแสดงแล้วโดยนยะเพราะเมื่อพระอัศสชิเถระได้กล่าวถึงนิโรธซึ่งเป็นความดับ มักซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิโรธมักเนี่ยเป็นเหตุคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนั้นเป็นเหตุส่วนนิโรธเป็นผลเมื่อท่านแสดงถึงนิโรธรแสดงถึงความดับที่เป็นผลก็เท่ากับว่าเป็นการแสดงถึงมักซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกอันเป็นเหตุเสไปด้วยอีกอย่างหนึ่งในบาดคาถาที่ว่า เตสัญจะโยนิ โ, โรโทรจะที่แปลว่ารัสถาคตทรงแสดงถึงความดับแห่งธรรมเหล่านั้นก็คือพระอัศจชิเถระได้แสดงว่าทุก์และสมุทัยสัจจะทั้งสองนั้นย่อมสามารถดับได้โดยนิโรธเป็นการแสดงอุบายแห่งความดับของสัจจะทั้งสองคือทุกและสมุทัยนั่นเอง ส่วนในบาทที่สามที่บอกว่าเอวังวาทีมหาสมณะสมโนติที่แปลว่าพระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้เท่ากับว่าพระอัศชิรเทระได้แสดงให้คาถานั้นมสมบูรณ์เท่านั้นเองครั้นเมื่อสาธิบุตรปริภาชกได้ฟังคำโดยปริยายเพียงเท่านี้ ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากภรีปราศจากมูนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นแม้ทั้งหมดก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาธรรมปริยายดวงตาเห็นธรรมอันนี้ได้บังเกิดขึ้นแก่สารีบุตรปริพาชก ค, คำว่าดวงตาเห็นธรรมในที่นี้ก็คือ ภาษารีบุตรปริภาชกนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วสารีบุตรปริภาชกนั้นก็รู้ว่าคุณพิเศษชั้นสูงที่มากกว่านี้ย่อมมีอยู่จึงกำหนดว่าคำสอนในาศาสนานี้ที่มากไปกว่านี้ที่สูงส่งไปกว่านี้ยังมีอยู่ แต่สารีบุตรปริพาชกนั้นก็ได้กล่าวกับพระอัสสชิเถระว่าท่านผู้เจริญท่านจะได้ขยายธรรมเทศนาให้สูงไปกว่านี้คำมีประมาณเท่านี้แหละพอแล้วพระศาสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนก็คือสารีบุตรปริพาชกนั้นมีความประสงค์ที่จะฟัง เนื้อความที่สูงส่งไปกว่านี้ที่มากไปกว่านี้จากพระโอษฐ์ของพระศัสดาเพราะฉะนั้นก็เลยบอกให้พระอสศชิเทระหยุดกราและก็เลยถามพระสัชชิเทระว่าพระศัสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนพระสัชชิเทระจึงได้บอกว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระเวรุวัน มหาวิหารสารีบุตรปริภาชกิงกราวต่อไปว่าท่านขอรับขอท่านจงล่วงหน้าไปก่อนกระผมมีสหายอยู่ผู้หนึ่งและได้ทำกติกากันไว้ว่าผู้ใดบรรลุอมตะธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกแก่กันกระผมขออนุญาตที่จะเปลื้องปฏิญญาข้อนั้น แล้วพาสหายของข้ามไปยังสำนักของพระสัสดาตามทางที่ท่านไปนั่นแหละแล้วสาิบุปริภาชกนั้นก็ได้หมอบลงแทบเท้าพระอัศชิเทระทำการกราบแทบเท้าพระอัศชิเทระด้วยเบญจางคับดิ์ต่อจากนั้นก็ทำปทักษิณทูเวียนขวาสามรอบ ซึ่งเป็นการแสดงอากาศคริยาที่เคารพนับถือในสมัยนั้นนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาของเวลาที่ชาวพุทธทั้งหลายเวียนเทียนในวันมาฆบูชาบ้างวันอาสาละหะบูชาบ้างวันที่สาขะบูชาบ้างก็มีการทําประทักษิณคือเวียนขวาสามรอบรอบอุโบสถการเวียนขวาเป็นอย่างไรก็คือ เวลาที่อุโบสถอยู่ตรงไหนแขนข้างขวาของเราต้องอยู่ทางอุโบสถแล้วก็เดินไปทางนั้นนะครับโดยให้มีแขนข้างขวาอยู่ทางอุโบสถหรือทางพระเจดีถ้าเรามีการทำการทักษิ่นเวียนรอบพระเจดีเนี่ยการเวียนขวาก็คือให้แขนข้างขวาอยู่ด้านนั้นนั่นเอง เมื่อสารีบุตรปริพาชกได้กระทำประทักษิณแก่พระสัชิเถระแล้วก็ได้ส่งพระเถระให้กลับไปยังเบรุวันมหาวิหารก่อนส่วนตนเองนั้นก็ได้เดินมุ่งหน้าตรงไปยังอาดามของปริพาชกที่ชื่อว่าโกริตาปริพาชกทันที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นนะครับว่าโกริตาปริพาชกก็คือโมคคาราณาปริพาชกนี่ โมกขาณนปริพาชกเมื่อได้เห็นสารีบุตรปริพาชกเดินมาแต่ไกลจึงคิดว่าวันนี้สหายของเรามีสีหน้ามีท่าทางไม่เหมือนวันก่อนๆฉรอยว่าสหายของเราจะได้บรรลุอมัจธรรมอย่างแน่นอนโมกขรารนาปริพาชกจึงได้ถามแกสารีบุตรปริพาชกว่า ผู้มีอายุวันนี้น่ะหน้าตาของท่านของใสชรอยว่าท่านคงจกบรรลุอมตธรรมแล้วเมื่อสารีบุตรปริภาชกถูกถามอย่างนี้ก็เลยบอกแกโมคคารณะปริภาชกว่าถูกระผู้มีอายุเราได้บรรลุอมตธรรมแล้วแล้วก็ได้กล่าวคาถา ตามที่ระสาดีตามที่พระอัชชิเทระได้แสดงแก่ตนนั่นแหละว่าเยธรรมาเหตุสุปบภาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนติแปราธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระสถาพจท์ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และแสดงถึงความดับไปแห่งทําเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสสอนเย่ยงนี้ในเวลาที่สายรีบุตรปริภาชกกราวคาถานั้นจบลงโมกขราณะปริภาชกก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเช่นเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนี้โมกขาราณะก็เลยถามว่าสหาย พระสัสดาของเราประทับอยู่ที่ไหนสาริบุตรปริพาชกจิงกล่าวว่าพระสัสดาประทับอยู่ในพระเวรุวันพระสัชชิเถระอาจารย์ของเราบอกอย่างนี้ด้วยประการอย่างนี้โมคราณะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นมาเถิดพวกเราจะไปเฝ้าพระบุรมสัสดากัน ธรรมดาสารีบุตรปริภาชกนีนะ้เป็นผู้ที่บูชา